จเจริญพรยมทุกคนนะเป็นคนการทางพิเศษทั้งหมดใช่ไหมหลวงพ่อก็รับวิสาหกิจเก่าก่อนอยู่แจ้งวัฒนะนี่อยู่ที่โอทีทำงานรับวิสาหกิจอยู่ก็เข้าใจพวกเราอะนะพวกเราชาวรับวิสาหกิจปัญหา ในองค์กรไนกะ็คงคล้ายๆกันสิ่งที่เราไม่ค่อยมั่นใจเรื่องอนาคตขององค์กรนะี้ไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ความประพฤติก็คงคล้ายๆกันพวกเราชอบเป็นนี่ไหม <laughs> ไม่ชอบแต่เป็นนะเงินเดือนพวกเราไม่ใช่น้อยนะแต่ละคนไม่ใช่น้อย อย่างตอนหลวงพ่ออยู่ g o t เงินเดือนไม่น้อยกว่าอธิบดีพวกเราบางคนเงินเดือนเป็นแสนเป็นเกือบเกือบแสนแต่บางทีก็ไม่ค่อยพอใช้เราใช้เยอะเราที่จริงเราใช้เงินมากเราเป็นหนี้เป็นสินมากแล้วก็กลุ้มใจกังวลเครียดทำไมเราเป็นหนี้เยอะ รายได้เราก็ไม่ใช่น้อยหรอกนะอยู่การทางนี้เพราใจเรามันมีความอยากเยอะดีมานมันเยอะพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะว่าตัณหานะมัน่ีกว่ามาหาสมุทรเองหนกนาทีตัณหาสมานาทีพ่วงน้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนี่ถ้าเรา ไม่มีธรรมะคุ้มครองรักษาจิตเราเราก็จะมีชีวิตที่ไม่อิสระเท่าไหร่เป็นนี่เป็นศีลอะไรเงี้ยลาบากเร า, าไปแก้ที่ปลายทางนะว่าจะไปลดละความอยากละไม่ได้ลดไม่ได้งั้นถ้าเราจะมาฝึกจิตฝึกใจให้แก้ปัญหาชีวิตเราให้ดีขึ้นจริงๆมันแก้ที่ต้นทางเรามารู้ทันจิตใจของเราเอง ความอยากอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันนะความอยากอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันถ้าเราคอยรู้ทันใจตัวเองได้ความอยากมันจะดับโดยอัตโนมัติเช่นเรามีมือถืออยู่แล้วนะเราเห็นเขามีบ b บีมีไ p h ฟนสี่มีอะไรขึ้นมาอยากได้อยากได้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อมันเปลี่ยนเร็วถ้าเรารู้ทันใจที่อยากความอยากมันจะหายไปโดยอัตโนมัติ พอความอยากมันดับไปแล้วคราวนี้เราจะเหลือความมีเหตุผลว่าสมควรจะซื้อเราก็ซื้อไม่สมควรเราก็ไม่ซื้อเนี่ยธรรมะนะธรรมะจะช่วยเราตั้งแต่เรื่องพื้นๆการดำรงชีวิตอย่างโลกโลกธรรมะนั้นมีหลายระดับถ้าหากชีวิตทางโลกเรายัางก็ะพร่องกับแกล้งนะเต็ไมไปด้วยความเครียดเนะี่ยเราจะหวังพัฒนาจิตใจของเราไปสู่ธรรมะขั้นสูงก็ไปยาก เนื้อพื้นฐานเราไม่ดีพอแล้วเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราตั้งแต่ขั้นต้นๆ น, นี้ไปเราคอยมมีสตินะรู้ทันใจที่มีความอยากความอยากอะไรเกิดขึ้นคอรู้เรื่อยๆไปมีพวกเราคนไหนทํางานนั่งในตู้บ้างมีไหมในห้องนี้มีไหมช่วยยกมือให้หลวงพ่อดนูดิมีบ้างมีความสุขไหมอยู่ในตู้โอ้สุขบ้างทุกบ้างนะ ถ้าไม่ชอบอ่ะจะทุกข์ถ้านั่งแล้วเผลอๆเพลินๆไปไม่ค่อยรู้สึกทุกข์หรอกแต่ถ้านั่งแล้วมีสติไปได้จะมีความสุขมีหลายเกรดนะเราทําตัวของเราเองเนะนี่ยธรรมะจะช่วยเราหลายระดับนะตั้งแต่การดํารงชีวิตการทํางานจนถึงขนาดที่จะนําเราไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเส้นทางไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ย ทางพิเศษเหมือนกันนะอของเรามีการทางพิเศษนะพระพุทธเจ้าก็มีการทางพิเศษเหมือนกันะทางของท่านไม่ธรรมดานะทางของท่านพาคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละให้พ้นทุกข์ได้นี่ธรรมะมหลายระดับนะเริ่มต้นตั้งแต่การใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละการใช้ชีวิตอย่างชาวโลกนี่แหละะคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆนี่สินมันจะลดลงนะคือความอยากมันจะลดลงลดลง เราจะรู้เลยว่าอะไรจําเป็นกับชีวิตอะไรไม่จําเป็นเป็นความอยากส่วนเกินหรืออย่างบางคนนะบางคนมีรถยนต์แล้วก็มันไม่โก้ต้องซื้อรถแพงๆมาใช้อะไรเงี้ยโอกาสเป็นหนี้เป็นศินก็เยอะขึ้นมีมือถือขนาดนี้พอสมควรแล้วก็ไม่พอใจซื้อให้สูงขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรอกมันๆ น, นี่เราถูกความอยากมันหลอกระบบ สังคมทุกวันนี้ระบบเศรษฐกิจทุกวันนี้มันยั่วกิเลสของเราตลอดเวลายั่วให้อยากอยากได้นอนอยากได้นี่นะฉันไม่รู้จะมีของอะไรให้อยากเนี่ยเราลองไล่ดูในตัวเรานะตั้งแต่ผมถึงเท้าเนี่ยมีของที่เราอยากได้ตั้งเยอะเลยใช่ไหมสิ่งที่เอามาใส่บนผมเราเนี่ยอุปกรณ์วัสดุทั้งหลายเนี่ยตั้งกี่สิบชนิดนะที่อยู่บนหัวเราจนปไปถจะถึงเท้าเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลย นั่นความอยากมันเป็นของที่ไม่ไม่จบไม่สิ้นแล้วเราถูกกระตุ้นถูกกระตุ้นตลอดเวลาให้เกิดการเรียนแบบกันเรียนแบบกันเพื่อนเขามีเราก็ต้องมีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มีเหมือนกันอย่างนึงมีนี่เยอะได้ข่าวว่าใครเขาให้กู้พวกเราก็กู้แหลกเลยใช่ไหมกรุงทองกรุงไทยอมสงอ้อม ส, สินอองนั้นเหรอเนาะ no. ได้ข่าวว่าบางคนกู้เงินไปเที่ยว ให้รางวัลเก็บชีวิตตอนหลวงพ่อทำงานนะเวลาใกล้ๆวันหยุดนะหลวงพ่อก็ไปเที่ยวเหมือนกันชวนแม่บ้านไปเที่ยวรอบนี้เราจะไปเที่ยววัดไหนดีไปหาที่ภาวนาอนะไรงี้มีเงินเก็บเยอะนะปีหนึ่งปีหนึ่งเก็บได้เกือบล้านนะสมัยเมื่อสิบ ป, ปีสิบปีก่อนนะ่ะไม่ใช่น้อยๆ น, นะเพราะว่าถ้าเรารู้ทันใจที่มีความอยากนะ ความอยากส่วนเกินเนี่ยมันจะหายไปมันจะเหลือความมีเหตุผลในการดำรงชีวิตจะดำรงชีวิตด้วยเหตุผลและเนี้พวกเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆสังเกตใจตัวเองไปการที่เราหัดสังเกตใจตัวเองเนี่ยเราจะได้ตั้งแต่การดำรงชีวิตอยู่ในโลกหรือการอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่กับคนในครอบครัวถ้าเราไม่สังเกตใจตัวเองนะก็จะมีปัญหารกระทบกระทั่งกันตลอดเวลา หลายคนเลยที่อย่างเราอยู่กับลูกค้าใช่ไหมเราถูกฝึกเราถูกสอนเราต้องยิ้มไว้ก่อนลูกค้าร้ายแค่ไหนก็ต้องยิ้มไว้ก่อนเครียดนะบางคนเราเห็นหน้ามันขับรถเข้ามาจอดใกล้ๆเราก็เกลียดหน้ามันแล้วมีไหมบางคนหน้ามันมีพรสวรรค์เห็นเห็นแล้วอยากเอาอลไยันมันออกไปนะเราก็ต้องเครียดอนะ่ะเราเจอสิ่งที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างทั้งวันใจมันเครียดพอเครียดแล้วเราไม่ได้มีทางระบายใช่ไหม อยู่ในตู้าจะไปว่าเขาแปบ๊บเดียวเขาไปแล้วไม่ทันจะว่ากลับบ้านกลับบ้านเราก็มาระ บ, บายใส่คนที่บ้านพ่อบ้านผู้หน้าสงสารแค่ต้องรับฟังเราจะระ บ, บายอารมณ์ใส่ระ บ, บายของสกปรกที่เราเก็บมาในแต่ละวันนะหรือคุณพ่อบ้านก็ระ บ, บายของโสโครกใส่คุณแม่บ้านเนี่ยเราทำความเดือดร้อนให้กับคนใกล้ตัวของเรา แทนที่เราต้องทําอย่างนั้นนั่นเราไม่มีสตินะ้วสติสําคัญมากนะมีสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเองใจมันเครียดขึ้นมาคอยรู้ทันความเครียดจะหายไปเองเป็นเรื่องแปลกนะความเครียดความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องไปไล่มันหรอกแค่เรามีสติรู้ทันมันก็หายไปเองแนละ้วค่อยๆลองฝึกดูนะคอยมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะเราก็จะบริโภคน้อยลง เราจะไประบายอารมณ์ใส่คนใกล้ตัวน้อยลงคนใกล้ตัวเราเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเลยเพราะว่าเราระบายอารมณ์ได้อย่างปลอดภัยแต่คนกับคนอื่นคนนอกบ้านคนไกลตัวนะเราพูดกับเขาดีๆคนในบ้านเราเราพูดร้ายๆได้รู้สึกปลอดภัยเนี่ยเราเรามาแก้ตรงนี้ซะเราจะไปทําบ้านของเราให้ร้อนทําคนที่เรารักให้เดือดร้อนด้วยการเรามาคอยฝึกจิตฝึกใจของเรามีสติรู้ทันจิตของตัวเองไหะ เราก็จะไม่เก็บขยะเข้าบ้านนะชีวิตจะดีขึ้นในทุกๆด้านเลยนะลูกหลานเกเรอะไรเงี้ยหลวงพ่อเคยเจอนะผู้หญิงคนหนึ่งไปจับลูกมาพาลูกมาหาบอกให้หลวงพ่อช่วยอบรมลูกเลยเด็กคนนี้เลวที่สุดเลยเนี่ยไม่เคยเจอเราเลยนะมันถึงก็ด่าลูกต่อหน้าเราเลยเลวอย่างเงี้ยชัดๆชัๆชัดกดูซักดูนะจะแก้ปัญหาลูกเนี่ยต้องแก้ที่แม่ก่อนแล้วล่ะ เรามานึกดูนะแม่อย่างนี้เราไม่อยากอยู่ด้วยนะบอกให้แม่ลองดูใจของตัวเองสิใจมันเครียดนะใจวันวันหนึ่งเนะี่ยเป็นคนเป็นที่ปรึกษาวัยรุ่นคอยแก้ปัญหาให้พวกวัยรุ่นเขาเครียดนะในสุดเอาความเครียดมาระบายที่บ้านนะลูกเลยเป็นมีปัญหาวัยรุ่นซะเองเลยนะเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตของเราย่ำแย่นะย่ำแย่แบบนี้เราลองมาฝึก มีสติรู้ทันจิตใจตัวเองเห็นไหมหลวงพ่อวนเวียนอยู่ในเรื่องให้มีสติรู้ทันใจของตัวเองนี่แหละมีสติรู้ทันใจตัวเองนะท่นนี่สินก็จะลดลงเพราะเราจะไม่บริโภคฟุ่มเฟือยไร้สาระการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวคนในที่ทำงานหรือคนที่บ้านอนไรก็จะดีขึ้นองค์กรก็จะดีขึ้นนะองค์กรก็จะดีขึ้นในส่วนจิตใจของเราเนี้ยถ้าเราคอยมีสติรู้ตัวเองนะ สีนสมาธิปัญญาของเราก็จะเพิ่มขึ้นศีนสมาธิปัญญาจะเพิ่มขึ้นถ้าขาดสติอย่างเดียวนะศีนสมาธิปัญญาไม่มีหรอกอย่างบางคนคิดแต่ว่าจะต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิมากๆแล้วไปคิดแต่ว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธินั่แหละจะทําความเพียรจะต้องนั่งสมาธิาท่านจิตรูปอาจารย์ไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกนท่านบอกว่าถ้ามีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียร งั้นถ้าเราอยากทำความเพียรนะจะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นสูงขึ้นเรามามีสติคอยรู้ทันใจตัวเองไห้กิเลสอะไรเกิดที่ใจคอยรู้สึกกิเลสไม่เกิดที่อื่นกิเลสไม่เกิดที่แขนที่ขาที่ตาที่หูอะไรไม่เกิดหรอกกิเลสเกิดที่ใจอย่างเดียวนะเราคอยรู้ทันใจของตัวเองไว้ใครรู้จักความโกรธใครเคยโกรธไหมมีหมใครไม่เคยโกรธมีไหมไม่เคยผิดปกตินะ คนปกติมันต้องโปรดเป็นบ้างใครรอบเป็นบ้างมีไหมมีใช่ไหมรู้จักฟุ้งส่านไหมรู้จักโกรธหูไหมรู้จักดีใจเสียใจกลัวใครเคยกลัวบ้างผู้ชายกลัวไหมกลัวผู้ชายกลัวอะไรมากที่สุดกลัวเมียนะอ้ผู้หญิงกลัวอะไรกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแก อ, อย่างความกลัวนั่นก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งนะ กิเลสตัวหนึ่งตระกุโทสะเหมือนกันในความเป็นจริงแล้วนะเรารู้จักสภาวธรรมจำํานวนมากแล้วที่เกิดที่ใจเราหลวงพ่อเอ่ยชื่อมาแต่และตัวแต่และตัวพวกเรารู้จักท่า น, นกโกรธเราก็เคยกโกรธกลัวเราก็เคยกลัวกังวลเราก็เคยกังวลอิจฉาเป็นไหมอิจฉาอิจฉาก็เป็นใช่ไหมเกลียดก็เป็นใช่ไหมกุ้มใจให้กลุ้มใจเป็นนะเป็นทุกคนเห็นไหม งั้นที่เราจะมาฝึกเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องยากเรามาฝึกรู้ของที่เรารู้อยู่แล้วนะการจะมาหัดดูจิต ด, ดูใจตัวเองเนี่ยดูของที่เรารู้จักอยู่แล้วล่ะความสุขรู้จักไหมความสุขความทุกรู้จักไหมความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกรู้จักบ้างไหมนะรู้จักทุกอย่างดีใจเสียใจเห็นไหมเรารู้จักในความเป็นจริงแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจเรา เรารู้จักอยู่แล้วทุกคนแหละเพียงแต่เราล้าเลยที่จะรู้เราไม่เห็นความสำคัญที่จะรู้เราสนใจที่จะไปดูคนที่เราโกรธมากกว่าจะสนใจรู้ว่าจิตกำลังโกรธเราไปเห็นของสวยของงามเราสนใจต่ที่ของนั้นเราไม่สนใจว่าจิตกำลังโลภเราไม่สนใจไม่ใช่ว่าเรารู้ไม่เป็นนะโลภเราก็รู้จักนะโกรธเราก็รู้จักแต่เราไม่สนใจที่จะรู้เท่านั้นเอง งนการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรการปฏิบัติธรรมจริงๆต้องมีสติะมีสติแล้วถ้าจะฝึกให้เร็วๆนะอย่างพวกเราเป็นคนทํางานอยู่ในเมืองวันๆมีเรื่องคิดเยอะแยะเนี่ยค่อยมีสติรู้ทันจิตตัวเองไว้เดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็โลภเดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่นะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจ นีจิตเราจะหมุนเวียนอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนะตลอดเวลาเลยพอตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจชิดนึกทั้งหลายความรู้สึกก็เปลี่ยนจริงไหมอย่างเราเห็นลูกค้าขับรถมาจอดความรู้สึกเราเปลี่ยนรู้สึกไหมอย่างเรากําลังอยากนั่งสบายกําลังฟังเพลงถึงวักสาคัญนะตรงเนี้ยเพาะที่สุดเลยลูกค้าดันมาถามอะไรก็ไม่รู้ะไม่ชอบเลย ความรู้สึกเปลี่ยนเนี่ยเพราะเราไม่ได้ค้าขายของเราเองนะถ้าเราค้าขายของเราเองลูกค้ามาดีใจเลยนี่เราเก็บเงินเข้าหลวงนะเฮยขี้เกียเก็บบางทีมามากๆก็เบื่อนะ <c oughs> เหมือนหมอเราเข้าไปเทศให้หมอฟังบอกเช้าๆหมอขับรถไปถึงโรงพยาบาลเห็นคนล้นโรงพยาบาลเลยรู้สึกยังไงรู้สึกเซ็งใช่ไหมโอ้โหค่าเยอะเลย ตอนเย็นขับรถไปคลินิกหูคนรถออกมานอกคลินิกดีใจนะก็ขเข้าใกล้คีินิกให้ไฟไหม้คลินิกเหรอที่คนมามุงดูไม่ดีใจแล้วตกใจแลนะความรู้สึกของเราจนะเปลี่ยนตลอดเวลาเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยนะที่ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนพอตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิน่นความรู้สึกก็เปลี่ยนนะอยู่ในบ้านได้กลิ่นอะไรเน่าๆความรู้สึกเปลี่ยนไหม รู้สึ ก, กังวลใช่ไหมตัวอะไรมาตายในบ้านเราถ้าไปอยู่วัดได้กลิ่นเน่าๆจะไม่กลัวว่าตัวอะไรมาตายหรอกไม่กลัวตัวที่ตายแล้วเอย่ยความรู้สึกเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนะใครเคยไปกินข้าวสั่งข้าวหลวงพ่อเคยนะตอนนั้นหัดกรรมาฐานใหม่ๆ เธอไปสั่งข้าวเพลินที่สุดแล้วนะข้าวไข่เจียวอะไรเนี้ยดูน่ากินดีแล้วสั่งมากินปรากฏ ว, ว่าโหมันทอดไข่มันลืมใส่น้ำปลานะจูดสนิทเลยอะไรเงี้ยความรู้สึกเปลี่ยนไหมกำลังคิดว่าจะเพลิดเพลินกับรถนะเปลี่ยนเลยรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้เรื่องเลยนะแค่นี้ก็ทำให้ดีไม่ได้ไหมแค่รถไม่ถูกใจแน่โกรธ ล, แลนะแม่หัดดูของเราอย่างนี้นะ ตาตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนนะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบร่างกายเราความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างเวลาหนาวอากาศหนาวจัดจัดนะลมหนาวโชยมากระทบเราอีกเนะี่ยใจไม่ชอบหรอกนะแต่ถ้าอากาศกํนนาลังร้อนๆนะอุณหภูมิสูงอากาศร้อนๆอบอ้าวลมโชยมาถูกผิวร่างกายเรา arez, ใจยินดีพอใจ ใจมันเปลี่ยนตามการกระทบทางกายนะหรือเรานั่งอยู่นะไปตามวัดบางคนไปตามวัดกําลังนั่งนั่งเก้าอี้นั่งอะไรเงี้ยมีตัวอะไรมาสีขาเรานะนุ่มๆคิดว่าแมวอะไรเงี้ยนก็แมวก็ไม่เท่าไหร่นะบางคนมันชอบแมวมานะสีๆก้มลงไปดูกลายเป็นหมาขี้เลื้อนตัวเล็กๆหมาชี้เลื้อนมาสีรู้สึกไงอิ่มอกอิ่มใจไหม เหนไหมง่ายๆแค่เนี้ยนะสิ่งอะไรมากระทบมาร่างกายความรู้สึกเราก็เปลี่ยนรู้ทันความรู้สึกของตัวเองได้เรื่อยๆนะแคร์ความรู้สึกของตัวเองบ้างพวกเราบางทีสนใจความรู้สึกของคนอื่นนะแล้วก็ไม่สนใจที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองนัใจของเราเลยจมอยู่กับความทุกข์ทั้งปีทั้งชาติในกี่ปีกี่ชาติก็จมอยู่ในความทุกข์เท่านั้นแหละเพราะเราไม่สามารถรู้เท่าทันใจของตัวเองกิเลสมันก็มาหมกหมักหมมอยู่ในจิตใจของเรานี่เอง ให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นพอนะความรู้สึก น, นั้นเป็นความรู้สึกที่ดีสมมติว่าคิดเรื่องดีคิดเรื่องดีก็มีความสุขนะคิดเรื่องไม่ดีจิตโลภโกรดหลงขึ้นมาจิตใจไม่มีความสุขมีความทุกข์ขึ้นมาทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะไม่จะเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุก ข, ข์ขึ้นมาพอมีความรู้สึกสุขขึ้นมาราคะจะแทรกความรู้สึกทุกข์เกิดขึข้นโทสะจะแทรก ความรู้สึกไม่ชัดเจนเกิดขึ้นโมหะก็แทบหลงไปเลยเปลินๆหลงๆไปในกิเลสมันแอบเข้ามาในใจเราตามหลังการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองะแล้วเราคอยรู้ทันตากระทบรูปนะความรู้สึกเปลี่ยนเราค่อยรู้ทันหูกระทบเสียงความรู้สึกเปลี่ยนแล้วก็รู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกมันเปลี่ยนคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกตัวเอง กรนะทบอย่างนี้มีความสุขกระทบอย่างนี้เป็นทุกนะข์เยพอมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันกนะิเลสจะแทรกแล้วนะความสุขเกิดขึ้นราคาก็แทรกความทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็แทรกนะจะแทรกเข้ามาพอ ร, ราคา์โทสะมันแทรกเข้ามาในจิตใจของเราได้คราวนี้มันจะบงการพฤติกรรมของเราแล้วพฤติกรรมทางกายทางวาจานะออกมาทางกายทางวาจาทําผิดศีลไดนะ้แล้วกิเลสมันแทรกแล้ว คนทำผิตศีลได้เพราะกิเลนเข้ามาแทรกที่จิตนะกิเลมครอบงาจิตของเราทําจิตศีลได้งนะั้นเราค่อยรู้สึกนะค่อยรู้สึกการปฏิบัติธรรมไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดหรอกนใะการปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้กว้างขวางหลากหลายมากนะหลากหลายมากท่านมีสามวิธีหลักๆวิธีที่หนึ่งใช้สมาธินําปัญญาอย่างบางคนพอคิดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมก็คิดถึงการนั่งสมาธิ ถามว่าถูกไหมถูกเหมือนกันแต่ไม่นั่งได้ไหมได้มันมีเส้นทางที่สองใช้ปัญญานําสมาธิแล้วนยะัง ม, มีเส้นทางที่สามใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะเนี่ยไม่เหมือนกันนะมีทั้งสามเส้นทางอันนี้อยู่ในพระสูตรมีอยู่นะยุครนาฏสูตรท่านสอนไว้ทั้งสามแบบเลยงั้นเราเห็นคนอื่นเขาภาวนาไม่เหมือนเรายัางเข้าไปภาวนานั่งสมาธิอะไรก็ถูกของเขานะไม่ใช่ผิดนะ หรือบางคนเห็นเราเคยชินแต่การนั่งสมาธิเห็นคนไปเจริญสติเจริญปัญญาก่อนนะไม่ได้นั่งสมาธิเราไปว่าเขาผิดก็ไม่ถูกนะทางใครทางมันหนอกเส้นทางการปฏิบัตินะั้นหลากหลายครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าการภาวนาการปฏิบัติเนาะบอกคนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันทางใครทางมันนั่นเองไปกินน้ําบ่อเดียวกันนะัคือจะไปนิพพานด้วยกันนะ่ะไปที่เดียวกันนละ แต่ว่าเส้นทางที่ไปนะหลากหลายเหมือนอย่างการจะขึ้นภูเขาเหมือนกันภูเขามันสูงสูงขึ้นไปนะทางขึ้นเขาไม่ได้มีทางเดียวมันขึ้นได้รอบติศ ท, ทางแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็เห็นคนอื่นเขาขึ้นทางอื่นเราบอกเขาทำผิดไม่ใช่เราต้องดูก่อนพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไม่ตั้งหลายแบบนะใครชอบนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิก่อน นั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วมาดูกายทํางานเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูฝึก อ, อย่างนี้ไปเรื่อยนะให้เห็นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้ฝึก อ, อย่างนี้ก็ใช่ได้หรือบางคนไม่มีเวลานั่งสมาธินะดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเลยดูจิตจิตตานุปัสสนานะเหมาะกับพวกวิปัสสนาญาณิกพวกที่ไม่ได้เล่นฉานอย่างพวกเราคน ในเมืองคนรุ่นหลังเนี่ยเราไม่มีเวลานั่งสมาธิมากมายแต่ละวันเราอาศัยสตินี่แหละยคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปทุกคราวที่รู้ทันใจนะใจจะได้สมาธิขึ้นมานิดหนึ่งนิดเดียวนะเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเท่านั้นนะแต่สมาธิชั่วขณะก็อย่าดูถูกมันนะน้ําหยดลงหินทีละหย ด, ท, หยดทีละหยดหินยังทะลุได้เลยเรามีสมาธิเป็นขณะขณะขณะแต่ให้มันบ่อยๆนะมันจะถี่ขึ้นถี่ขึ้นสุดท้ายสมาธิมันจะทรงตัวเด่นดวง ไม่ได้แพ้พวกที่เล่นชานมาหรอกเหนะมือนไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดนะจะใช้สมาธินําปัญญาทําสมาธิแล้วมาดูกายดูเวทนาหรือใช้ปัญญานําสมาธนะิดูจิตดูทำธรรมานุปัสสนาดูเข้าไปเลยแล้วสมาธิเกิดทีหลังก็ได้แต่ตอนที่จะได้มรรคได้ผลนะัมีครบเลยศีล ส, สมาธิปัญญาต้องครบทุกคนนะถ้าขาดอะไนหนึ่งไม่เกิดหรอกนะี่บางคนพิเศษ เพราะนั้นใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะคนรุ่นเราทําได้ลูกศิษย์หลวงพ่อก็มีเหมือนกันแต่ไม่มากคนที่จะใช้ใช้สมาธิกับปัญญาควบกันได้นะั้นต้องมีพร้อมสองอย่างอันหนึ่งชํานาญในเรื่องการเข้าสมาธิแล้วอันที่สองชำนาญในการดูจิตเพราะเวลาเข้าสมาธินั้ไม่ได้มาดูกายแล้วใช้สมาธิทําปัญญาในสมาธินจะดูองค์ธรรมของสมาธิเช่นปิติเกิดขึ้นมีสติรู้ทันนะปิติหายไป เกิดความสุขความสุขเด่นขึ้นมามีสติรู้ทันความสุขนะความสุขดับไปเกิดอุเบกขาเด่นขึ้นมาดูองค์ธรรมในสมาธิอย่างนี้เรียกว่าสมาธิกับปัญญาควบกันนะเ่มทําได้แต่ว่าไม่มากพวกเราส่วนใหญ่คิดทั้งวันนะเอาแค่ที่หลวงพ่อบอกก็บุญนักหนาแล้วละใครมีสติรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันฝึกตัวนี้นะ ฝึกตัวนี้ไว้ให้มากๆาแล้วชีวิตจะเปลี่ยนถ้าถ้าไม่ดื้อ น, นะให้ไม่ดื้อหลวงพ่อบอกให้ทําลองทําดูสักสองเดือนสาเดือนลองทําดูสิชีวิตเปลี่ยนหลวงพ่อมีพยานบุคคลนี่นับไม่ถ้วนแล้วนะถึงวันนี้มีพยานมากมายเลยแล้วมาเรียนเรีๆกับหลวงพ่อเนะีชีวิตจิตใจเปลี่ยนมีความสุขขึ้นเยอะเลยออกไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่เคยว่าผิดหรอกนะ ไม่ได้ว่าพอนาผิดนะสอนต่อยอดให้ได้ทุกทีเลยงั้นพวกเราฝึกเบื้องต้นง่ายๆคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไว้นะรู้ทันบ่อยๆใจโลภขึ้นมารู้ใจโกรธขึ้นมารู้นะใจฟุ้งซ่านรู้ใจหดหูร่รู้ดีใจรู้เสียใจรู้นะอะไรเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยรู้เฉยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าไปดัดแปลงมันรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆการที่เราดูมันไปเรื่อยนะ เหมือนเราเป็นคนดูละครจิตเนี่ยเป็นนักแสดงละครเดี๋ยวก็เล่นบทรักเดี๋ยวก็เล่นบทโศกเดี๋ยวก็เล่นบทโกรธนะเดี๋ยวก็เล่นเป็นผู้ดีเดี๋ยวก็เล่นเป็นผู้ร้ายเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์จิตนั่น้าะมันเล่นละครให้เราดูเรามีหน้าที่เป็นแค่คนดูละครแล้วอย่าไปแทรกแซงมันนะไม่ต้องไปตำหนิติเตียนว่าจิตมีความโกรธทำยังไงจะหายไม่ต้องไปยุ่งกับมันรู้อย่างที่มันเป็นไปด้วย สุดท้ายถ้าปัญญามันจะค่อยๆเกิดมันจะเห็นเลยว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้นี่อยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยฝนะึกตัวนี้ให้ได้นะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนอย่างน้อยศีลจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เดิมเราถือศีลลําบากเพราะเราถือศีลที่ปากที่มือที่เท้าอะไรอย่างนี้ถือลําบากนะใจมันเร็วถ้าเรามีสติรู้ทันนะความโกรธเกิดขึ้นที่จิตเรามีสติรู้ทัน มันไม่ตีใครมันไม่ด่าใครมันไม่ฆ่าใครหรอกนะเพราะว่าความโกรธมันครอบงําจิตไม่ได้ความโลภเกิดที่จิตนะเรามีสติรู้ทันมันไม่ลักใครไม่ขโมยใครหรอกไม่ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงใครเพราะสติมันรู้ทันซะแล้วนะเนี่ยฝึกของเราอนี้ศีลมันก็มีขึ้นมาแล้วก็มีสติคอยรู้ทันไปจิตฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิจะเกิดขึ้นนะถ้ามีสติรู้ทันกิเลสนะ ตีนจะเกิดขึ้นถ้ามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านหนีไปโ น, น, น, นป่นหนีไปนี่นะสมาธิจะเกิดขึ้นพอจิตมีสมาธินะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในห้องนี้หลวงพ่อก็เห็นหลายคนนะที่พอนา จ, จนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้แล้วถัดจากนั้นมาเจริญปัญญาดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานเรื่อยๆไปนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ขั้นต้นนะฝึกให้ได้ก่อน ฝึกให้ได้ก่อนก็คือมีสติรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตคอยรู้ทันฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนนะแล้วตัวอื่นมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเองไม่ต้องเรียนข้ามขั้นหรอกนะแต่ไม่ใช้เวลาเยอะนะไม่ใช้เวลาเยอะชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนเราจะเห็นได้ด้วยตัวเองนะเราจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะอย่างพวกเราอายุสี่สิบกว่าใครอายุสีสิบกว่ามีไหมห้องนี้มีไหมกล้าหารหน่อยยกโชว์หน่อย ถึงแล้วเหรอหน้าตาดูเด็กเด็กอะ่ะเราแก่เราเห็นใครก็เด็กหมดลนะ <c oughs> อย่างเขา อ, อายุเยอะเยอะขึ้นนะใจยังเก็ดแม้ใจเราถ้าเราไม่เคยฝึกเลยนะ่ะยิ่งแก่ยิ่งร้ายแก่ยิ่งร้ายนะ <c oughs> ดูอย่างครูบาอาจารย์นะท่านแก่เท่านะท่านมีความสุขนะท่านรู้ทันกิเลสของท่านท่านถางกิเลสออกไปเรื่อยๆนะงั้นให้กันบ้านทุกคนนะ ให้ด้วยความหวังดีเลยคอยมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองให้บ่อยๆ บ, บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้หลายคนนะฝึกจำนวนนับไม่ถูกแล้วตอนนี้ที่มาฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะี่นะแล้าชีวิตจิตใจเปลี่ยนเคยทุกนานก็ทุกสั้นลงเคยทุกหนักๆ ก, ก็ทุกนิดเดียวทุกเบาๆเปลี่ยน เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่างคนอายุสี่สิบที่ถามตะเคี้ยรู้สึกไหมบางครั้งยางรู้สึกว่าเราแต่เด็กอยู่เลยรู้สึกไหมบางครั้งยังมีวิญญาณของเด็กแฝงอยู่ใช่ไหมหนูอย่างง้ว่าหนูยังยังไม่เรียกว่าเด็กนะใช่เด็กหรอกแต่ถ้าเราภาวนานะอายุยี่สิบปีอะไรเงี้ยมันจะมีวุฒิภาวะจิตใจมจะรู้สึกถึงความเป็นผู้ใหญ่เพิ่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้น เป็นอิสระมากขึ้นพวกเราไม่ได้มีอิสระจริงพวกเราแต่ละคนนะตกเป็นทาสของความอยากโดยที่เราไม่รู้ทันมนะันหรอกเราถูกคนอื่นหลอกตลอดเลยอย่างพ่อค้าเขาหลอกเรานะทำป้ายโฆษณาทําอะไรโฆษณานะออกทีวีโฆษณาเขาหลอกให้เราอยากอยากเราก็ต้องหาเงินไปให้เขาเนี่ยเป็นเป็นเมืองขึ้นเขานะเป็นทาสเขาแท้ๆเลยเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเรามาหัดภาวนานะเราจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นหลายคนเลยภาวนาพ่อแม่ตายเนี่ยไม่เศร้าโศกนะไม่เศร้าโศกกระทั่งพ่อแม่ตายยังไม่เศร้าโศกเลยไม่ใช่ว่าได้มรดกนะแต่ว่าเห็นความจริงของชีวิตชีวิตเป็นอย่างนี้แหละยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้แล้วไม่ทุกข์ถ้ายอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตไม่ได้ก็ทุกข์เยอะเพราะในความเป็นจริงแล้วชีวิตนี่เปลี่ยนตลอดเวลานะถ้าเรายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ ขอเราจะโดนแปลแ ร, รูปบ้างอย่างที่นี่อย่างมีข่าวบ้างไหมหรือยังเป็นบอ่อเงินบอ่อทองของ <c oughs> ใครเขาอยู่เ <c oughs> นี่ยบอ่อทองของนางพันธุรักษณ์ทางที่แล้วชีวิตไม่แน่นอนทุกพวกเราเชื่อข่าวลือไหมข่าวลือปีนี้จะไม่ขึ้นเงินเดือนอย่างนี้มีไหมปีนี้จะไม่มีโบนัสมีไหม จ่ายเงินไม่ครบมีไหมอง้ยโอ้ข่าวลือเนาะ <laughs> เคยเจอจริงไหม <laughs> เคยมีไหมปรากฏการณ์ไม่ใช่ข่าวลือที่เป็นจริงจริงมีไหมมีเหมือนกันเหร อ, อน่าลงสารเห็น <laughs> <laughs> นั่งเก็บเงินทั้งวันนึกว่ารวย <laughs> ฝึกนะฝึกแล้วนะชีวิตจะดีขึ้นนะเอาท่านนี้ก็พอละนะเอาใครจะถามใครจะคุยเชิญ ธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ไม่ใช่เรื่องฝังเล่นนะไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่ใช่เรื่องฝังเล่นเล่นดูเข้าไปที่ใจของเราความรู้สึกเกิดรู้ทันเข้าไปรู้ทันเข้าไปนะแล้วชีวิตจะเปลี่ยน เ, เชิญเชิญกราบธรรมศสการหลวงพ่อครับอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับตื่นเต้นไหม ก็เริ่มปกติแล้วครับตอนไปพบหลวงพ่อครั้งแรกตื่นเต้นมากครับอืที่พิส่ง์กันบ้านเรื่องรถหมุนนะครับหลวงพ่อจําได้นะครับนานแล้วรถหมุนอ่าฟังเทปหลวงพ่ออยู่ตอนนั้นก็ขับรถไปด้วยครับแล้วมีหมอสาตัดหน้าออื่าก็ประสบการณ์ก็รอดมาได้ครับหลวงพ่อบอกว่าเป็นสติของเราเองเออได้แหละเห็นไหมขลังจะตายเลยหลวงพ่อขลังมากเลยครับตอนนั้นครั้งหลวงพ่อสเสียรับผม ลูกศิษย์หลวงพ่อนะมันมีเอกลักษณ์อย่างชอบขับรถเร็วชอบขับรถเร็วพอรถหมุนรถคลิกรถคว่าเนะี่ยเยอะมากเลยนะแต่ไม่ค่อยเป็นอะไรนะเพราะว่าสติเป็นดีเดี๋ยวพอรถมันหมุนให้มันไม่ตกใจบางคนเกิดอะไรเขาปาดหน้าก็ตกใจแทนที่จะเหยียบเบรกก็เหยียบคันเร่งหรือตกใจมากนะเขาพีเหยียบเบรกแรงๆอะไรเงี่ยรถก็หมุนรถก็คว่า ถ้าเราฝึกสติอ mm ัตโนมัติมันอัตโนมัติเองนะถึงจ <Support> ุดเวลาคับขันเวลาวิกฤตนะสติมันทงานอัตโนมัติเลยไม่ตกใจคราวนั้นสติปัญญาจะทำงานรักษาตัวเราได้เองว่าไงยังหมุนอีกไหมอนนี้ไม่หมุนแล้วครับครั้งเดียวในชีวิตก็พอแล้วก็มีเรื่องที่จะกราบสอบถามหลวงพ่อเกี่ยวกับสภาวะทุกข์ที่เราเราก็ คิดว่าเราจะน่าจะมีสติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยครับแต่ว่ามันก็ยังเข้าไปทุกข์อยู่กับสิ่งนั้นจิตมันเข้าไปเกาะเลยรู้สึกว่าจะมีเกาะระวางเกาะวางอยู่เนี่ยมันออมัน<ห>าวาง<ม>เลยได้ครับทำนะไม่ได้ปัญญาเราไม่พอนะเรายังมีความอยากแทรกอยู่เราอยากให้หายทุกข์อ่ะยังดิ้นรนอย่อยังปฏิเสธสภาวะอยู่นะถ้ารู้มันด้วยใจที่เป็นกลางจริงก็วางหรอ คืออย่างนี้ก็แสดงว่ายังรู้ด้วยใจที่ยังไม่เป็นกลางใช่ไหมครับใช่ต้องฝึกฝึกมากๆคือปัญญามันมีหลายระดับนะปัญญาถึงขั้นรู้แจ้งแทงตลอดเลยว่าขันทั้งหลายเป็นทุกข์โดยเฉพาะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์แล้ววางจิตเนี่ยอันนี้จะไม่ทุกข์อีกลำไม่ไปหยิบขึ้นมาเองแต่เราไม่เห็นถึงขั้นนี้เพราฉนั้นวางได้ก็หยิบได้ปลุบปลื้มปลโ ร, ปรปไปเรื่อยแต่ว่าดีกว่าไม่เคยวาง แต่พอฝึกมากเข้ามากเข้านัะใจยอมรับความจริงได้มากขึ้นระวางมากขึ้นนะการที่เห็นจิตเข้าไปจับอารมณ์ได้เป็นคราวๆก็เก่งแล้วละ่ะนะดีกว่าไม่เคยเห็นเลยนั่นเป็นก็เป็นทางผ่านที่ดีนะแล้วสิ่งที่อวิหารธรรมที่ที่ควรจะเป็นเป็นอยู่กับกายได้ไหมถ้าดูตัวไหนชัดนะั้นดูแล้วสติเกิดบ่อยเอาตัวนั้นแหละ นะถ้าร si yeah, ู้ร่างกายแล้วสติเกิดบ่อยเช่นพยักหน้าแล้วก็รู้สึกรู้สึกไปสบายๆก็เอากายนะถ้าดูกายไม่ได้ชัดเห็นความรู้สึกชัดก็เอาจิตอะไรก็ได้นะเอาอะไรก็ได้เป็นวิหารธรรมจะกายก็ได้จิตก็ได้เวทนาก็ได้แต่ถ้ามีวิหารธรรมที่ดีเนี่ยดูกายนะก็จะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาดูจิตก็เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเราไม่ได้ดูกายเพื่อเอากายไม่ได้ดูจิตเพื่อเอาจิตนะ ดูกายคือยัง้งมันเกิดสติสมาธิปัญญาดูจิตเกิดสติสมาธิปัญญานะปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเห็นตัวเราไม่มีมีแต่รูปธรรมมีแต่นมามธรรมตัวเราไม่มีนะถ้าปัญญาระดับนี้ปัญญาของพระโสดาบันนะถ้าปัญญาลึกซึ้งขึ้นไปนะเห็นแต่ธาตุขันธ์นี่เป็นทุกขนะ์ไม่มีผู้ทุกข์นะแต่มีความทุกข์ขันธ์นั่นแหละตัวทุกข์ถ้เห็นระดับนี้มันจะวางขันธนะ์แล้วตั้งแต่พระนาคาขึ้นไป ก็ฝึกเอากราบขอพอบคุณครับภาวนา ม, มากไหมวันๆหนึ่งอ่อ <c oughs> ก็อยู่กับภารการงานส่วนใหญ่จะเป็นภารการงานครับก็คือจะอยู่กับหน้าที่การงานนี้จิตอย่างหนึ่งที่อพระพุทธเจ้าบอกว่ า, าเราสติเราอยู่กับภารการงาน ก, ก็ไม่ผิดเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ผิดแต่เป็นสติโลกโลกครับ ừ ừ. งานอะไรละ่ะทํา มีหลายอย่างครับงานเกี่ยวกับการเก็บเงินกับการสัมผัสกับผู้ใช้บริการที่ต่างอารมณ์มานะครับในในส่วนนี้เรายังต่างเลยทําไมผู้ใช้บริการจะต่างอารมณ์ไม่ได้ครับผมนั่นแหละตัวนั้นนะ <c oughs> ทํางานไปดูจิตไปสบายที่สุดเลยถ้าดูจิตไม่ออกนันก็ดูกายเห็นมือเลยหยิบเงินส่งเงินรับเงินนะเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูฝึกไปเรื่อย ดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้นะมีกี่คนอ่ะที่จะถามเตรียมให้กี่คนอืสิบคนนะอ่ะแต่คนที่สองอ่ากราบเรียนถามหลวงพ่อนะครับคื อ, อมีสมมติว่ามีสองเส้นทางนะฮะสำหรับการเดินชีวิตของเราะฮะเส้นทางแรกเป็นเส้นทางทางโลกนะครับก็คื อ, อเป้าหมายก็คื อ, อ การางานอาชีพนะครับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางทางธรรมนะครับซึ่งเป้าหมายก็คือนิพานนะครับคือทั้งสองเส้นนี้มันจะมีทางมา อ, าอา่มันจบกันหรือว่าจะมีทางมาขนาบกันมันต้องไปด้วยกันนะต้องไปด้วยกันนั่นแหละไม่ใช่ต้องเลือกหรอกนะครับตอนนี้เรามีฐานะเป็นฆราวาสเนะี่ย เราก็ทำงานทำหน้าที่ไปเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวทำตามหน้าที่ของเราไม่ทิ้งหน้าที่นะนะักปฏิบัตินะครับอย่างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวอะไรเนี้ยต้องทำตามหน้าที่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครเขาห้ามเราถือศีลไม่มีใครเขาห้ามเราเจริญสมาธิไม่มีใครเขาห้ามเรามีสติรู้กายรู้ใจเจริญปัญญาเนะเราก็ทาควบไปไดนะ้งั้นถึงจุดหนึ่งตอนนี้เราก็ทามาหากินไปมีเวลาเราก็ภาวนาไป ทำไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งซึ่งภาระทางโลกเราหมดแล้วเราอยากจะไปให้เร็วนั้นเราก็ไปภาวนา เ, าเป็นมุ่งภาระทางธรรมเป็นหลักแต่ไม่ใช่อยู่ๆก็ทิ้งภาระทางโลกนะทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปบวชเลยไม่ใช่หรอกอไอ้ตัวอเวลานะครับเป็นตั ว, ตวสาคัญถ้าเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยจะเพราะว่าการปฏิบัติทําให้เบียดบังเวลาทํามาหากินนะ คือเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัตินะแบบฤาษีชีพไพรอย่างเดียวต้องนั่งสมาธิเป็นวันๆ น, นะนั่งไปจนกระทั่งหนวดยาวนะั้นนอกกระจกมาทำหลังได้อย่างนั้นถึงจะเก่งไม่ใช่เมือ่อใดมีสติเมือ่อนั้นมีการปฏิบัติเมื่อไรขาดสติเมือ่อนั้นขาดการปฏิบัตนะิเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่ทางโลกเนี่ยเราสมาร์เรารับเงินอยู่นะแค่มองเห็นหน้าลูกค้าเราก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วใจเราไม่เท่ากันแล้วนี่ยเรารู้ทัน บางคนจะจ่ายค่าผ่านทางนิดเดียวนะเอาแบงค์พันมาให้อะไรเงี้ย น, นะเราหงุดหงิดไหมหรือปลืม้มวันนี้ได้จับแบงค์พันมันไม่ใช่แบงค์ของเราไม่ปลื้มหรอกเนะี่ยดูใจของเรามันไม่ได้เบียดบางเวลาทํามาหากินของเรานะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เบียดบางเวลาทํามาหากินยกเว้นการทํามาหากินการทํางานที่ใช้ความคิดเท่านั้นถ้าไม่ต้องใช้ความคิดมากๆเนี่ยเราจเจริญสติรู้กายรู้ใจได้ตลอดเลย อย่างงานแม่บ้านนะขวาดบ้านไปขวาดบ้านไปด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้เบียดบังเวลาปฏิบัติเลยนะไม่เบียดบังเวลาทำงานด้วยนะทำไปด้วยกันได้หัดมีสติให้มากไวนะ้แล้วจะเข้าใจแก่นของการปฏิบัติต้อไม่ยากเท่าที่คิดออกนะไม่ใช่ว่าเราต้องแบ่งเวลานี้เป็นเวลาทำงานหมดเวลาทำงานแล้วถึงจะเป็นเวลาภาวนานะถ้าเรายังแบ่งชีวิตเราเป็นสองส่วนนะมรรผลยังอยู่ห่าง แต่ถ้าเมื่อไร่เรารู้เลยว่าชีวิตนี้เรามีแต่งานหลักกับงานรองไม่ใช่งานสองอย่างนะมีงานหลักกับงานรองงานหลักของเราแต่ละคนก็คือเราจะต้องยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นไปให้พ้นความทุกข์ออกไปเรื่อยๆนี่งานหลักของชีวิตงานรองคือการทํามาหากินตามหน้าที่เพื่อจะเลี้ยงชีวิตอยู่กับโลกเท่านั้นเองอยู่ไปได้ไม่นานใช่ไหมเดี๋ยวหกสิบเขาก็ไม่ให้ทําแล้วอย่างเงี้ยในงานหลักของเรายังมีอยู่นี่เราไม่ให้งานรองเบียดบังงานหลักเรานะ งั้นเวลาที่เราทํางานทั้งโลกเนี่ยเราคอยมีสติเอาไว้กิเลสเกิดเราคอยรู้ไว้นี่เราได้ปฏิบัติทำทั้งวันหลวงพ่อปฏิบัติตอนทํางานนะตอนแรกอยู่สภาความมั่นคงงานหนักนะคิดหนักทั้งวันเลยวิเคราะห์วิจัยอะไรเนี่ยหนักก็คอยดูเอานะนั่งทํางานนะหัวหมุนเลยแบบคิดมากไม่สามารถดูจิตได้ละเวลาเดินไปห้องน้ําเนี่ยเห็นร่างกายเดินไปห้องน้ําดูกายเลย ไปห้องน้ําเสร็จนะก็เดินกลับมานะใจสบายขึ้นละดูจิตที่สบายออกมาไม่ได้ทิ้งการปฏิบัติเลยจะกินข้าวก็ปฏิบัติจะอาบน้ําก็ปฏิบัติจะขึ้นรถก็ปฏิบัติะทําอะไรๆก็ปฏิบัติไม่ได้แยกชีวิตเป็นสองส่วนหรอกมันไม่ใช่ว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติเวลาของชีวิตนี้ทั้งหมดะคือเวลาของการปฏิบัติงานหลักของเราคือการปฏิบัติทํายกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นไปจนพ้นจากความทุกข์ การทำมาหากินนั้นเป็นงานสนับสนุนนะทำให้เราพออยู่กับโลกได้ไม่ใช่สองงานที่เท่าๆกันรับนะผมกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับค่ะมีเรื่องจะขอความการุณาหลวงพ่อนะคะคื อ, อ, อช่วงนี้นั่งสมาธิแล้วจิตมันฟุ้งซ่านก็เลยไม่ได้นั่งแต่หันมาดู ด, ดูจิตดูใจค่ะหลวงพ่อทีนี้ดูมันก็เป็นลักษณะที่ว่า คือมันวุ่นวายใช่ไหมครัมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าจิตเนี่ยบางทีก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นในลักษณะนั้นแต่คอยคอยดูคอยตามที่หลวงพ่อบอกมันเกิดความรู้สึกหนึ่งคความรู้สึกแห้งแรงค่ะหลวงพ่ออย่างนี้หนูต้องนั่งสมาธิช่วยไหมคะอย่าไปทิ้งสินะข้านั่งสมาธิเป็นนะทําทุกวันสงบก็ปฏิบัติไม่สงบก็ปฏิบัติทําสม่ําเสมอนะการภาวนาะบางช่วงก็จเจริญบางช่วงก็เสื่อมธรรมดา ไม่ใช่เจริญตลอดอยากให้มันสงบไงหลวงพ่อนี่ละ อ, อ, อยากให้ร<า>ู้<ม><น>ทันไป<แ>ตัวที่ทําให้ใจไม่สงบนะเพราะใจไม่มีความสุขต้องรู้นะว่าความสงบเกิดได้ก็เพราะมีเหตุเหตุที่ทําให้จิตสงบนะคือความสุขนะถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์บรรแดนหนึ่งนะจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์ น, นั้นถ้าเราอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขจิตจะสงบถ้าอยู่กับพุทโธแล้วเค้นจะให้จิตสงบจิตจะไม่ยอมสงบเลยเพราะจิตไม่มีความสุข นะเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าเรามีความสุขไหมรู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขจิตที่สงบะหายใจไปบังคับจิตจนเครียดจิตที่ไม่สงบงั้นตัวที่ชี้ขาดนะว่าจะสงบหรือเปล่ามีความสุขไหมในตําราถึงสอนวความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธนะิไปดูใจที่มีโทสะแทรกนะดูตัวนี้นะมันเลยไม่สงบ ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะก็จะถามว่าระหว่างที่เราดูจิตเนี่ยเราต้องตามลมหายใจของเราด้วยใช่ไหมคะคือจิตเนี่ยนะมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวในขณะที่เรารู้ลมหายใจเราจะไม่รู้จิตแต่เรารู้ลมหายใจนะรู้แบบเป็นแบ็กนกะราวให้ท่านนั่งเองรู้รู้สบายๆไม่ใช่หายใจแล้วบังคับจิตให้นิ่งอยู่กับลมนะถ้าเราหายใจแล้วบังคับจิตให้อยู่กับลมไม่ให้หนีไปที่อื่นเลยเนี่ยทําสมถะ แต่ถ้าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยหายใจไปแล้วจิตแอบไปคิดก็าคอยรู้ทันไม่ห้าม<อ>หายใจไปแล้วจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็รู้ทันนะก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่รู้นะเพราะทุกวันนี้ก็ลองตามจิตแล้วพอตามจิตพอ ร, รู้ไปตามมันไปเสร็จมันก็จะกลับเข้ามาให้เราดูลมหายใจย ม, ม, มันก็กลับมาอยู่ <ไป S 2> ที่ทลม <ไป S 2> ใช่ใช่เห็นไหมจิตจะรู้ลมหายใจหรือจิตจะหนีไปคิดเลือกไม่ได้นี่เราจะต้องการให้เห็นตรงนี้ต่องหัง บังคับไม่ได้คําว่าอนัตตานั่นเองแล้วเราก็<ม>ก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดก็คือถือว่าเราได้ปฏิบัติแล้วใช่ไหมใช่แต่ใจอย่าไหลาตามมันไปนะเราเห็นมันหนีไปคิดเราเป็นคนดูอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่กับลมใหม่นะอย่างนั้นใช้ได้แต่ถ้าหายไปเลยลืมลมไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ขาดสติแล้วอนนี้อากับเรียนหลวงพ่อนะคะ<ม>คือว่าแบบเออไปไปศึกษามาหลายตำราค่ะอืแล<ม>้วก็บางทีก็ อันนี้เอ๊ะมันก็ไม่เข้ากับเราเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะคะแล้วก็ตอนหลังก็มานั่งนั่งพูดโทก็มีความสึกทำไมเราเราไม่ได้สมาธิสักทีแล้วก็มันก็จะปุ้งไปเรื่อยนลยคะ่ะหรือบางทีก็เผลอหลับไปนะคะอยากจะขอคำแนะนำคือเร า, นะเราจะทําอะไรนะเราต้องรู้ว่าเราจะทําเพื่ออะไรเราต้องรู้วัตถุประสงค์ซะก่อนนะอย่างของคุณจะต้องการทําสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้สงบหรือจะเพื่อให้มีปัญญาจะเอาอะไรอันเนี้ย จะให้มีเพื่อปัญญาครับอยาให้ ม, ใมีเพื่อปัญญานะแต่ก่อนจะมีปัญญาเขาต้องสงบก่อนเหมือนกันถ้าใจฟุ้งมากๆก็ไม่มีปัญญานะการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นะสมารถที่เนี่ยเกิดจากความสุขของคุณใจมันเที่ยวแสวงหาไปเรื่อยนะอยากลองอยากลองลองไปไหน่อยหนึ่งลองแล้วเมื่อไหร่จะสงบก็ดิ้นต่อไปอีกเปลี่ยนวิธีเอ๊ะทำนี้เมื่อไหร่จะสงบ ก็เลยไม่สงบสัทีนะเราเปลี่ยนใหม่นะเราทําเล่นๆแต่ทําสม่ำเสมอทําอะไรก็เอาสักอันหนึ่งจะพุโทโธก็พุโทโธไปจะหายใจก็หายใจจะดูท้องพองยุบก็ดูไปนะเอาอะไรก็เอาสักอันหนึ่งแต่ไม่ให้ทําแล้วบังคับใจทําเล่นๆทําไปยังมีความสุขนะมันจะสงบเข้ามาพอมันสงบแล้วมาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งสงบสมาธิชนิดที่สองตั้งมั่น ไม่เหมือนกันสงบเนี่ยจิตอยู่ในอารมณ์เันเดียวจิตเป็นหนึง่งอารมณ์เป็นหนึง่งอยู่ด้วยกันนิ่งอยู่อย่างเงี้ยบางทีก็ไหลเข้าไปรวมเป็นอันเดียวกันบางทีก็แยกออกมาเนะนี่ยนี้เป็นสมถะสมาธิชนิดที่สเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอารมณ์ไม่ได้เป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งเป็นคนดูอยู่อย่างเงี้ยแต่อารมณ์เนี่ยร้ออารมณ์พันอารมณ์หมือนอม่นอารมณ์แสนอารมณ์ก็ได้เห็นอารมณ์เนีเคลื่อนไหวเกิดดับตลอดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมจิตเป็นแค่คนดูอยู่เฉย เหมือนเรานั่งดูฟุตบอลอยู่บันอาลจันเห็นนะักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเนะนี่ยจิตถอนตัวมาเป็นคนดูอันนี้เป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิชนิดนี้แหละที่จะใช้ให้เกิดปัญญาสมาธิสงบเอาไว้พักผ่อนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูอันนี้แหละถึงจะทําให้เกิดปัญญานะสมาธิมีสองชนิดนะต้อเรียนให้ได้ทั้งสองชนิดเวลามีจํากัดนะไปฟังซีดีหลวงพ่อให้เยอะๆแล้วจับสมาธิสองชนิดนี้ให้ออก นะแล้วแต่ละชนิดนะั้นหลวงพ่อบอกไว้หมดเลยฝึกยังไงอยากจะฝึกให้สงบเนี่ยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขนะอยู่อย่างต่อเนื่องเลยเพราะงั้นย้ายสํานักไปเรื่อยๆเนี่ยทิ้งคำว่าต่อเนื่องแล้วก็ไม่ว่าจะจับอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยอยากให้มันสงบจิตไม่สงบจิตไม่มีความสุขไปเค้นมันเห็นไหมเพราะงนะั้นถ้าจับหลักที่หลวงพ่อสอนนะอะไรมันก็สงบไปหมดแหละง่ายไปหมดเลยอันนี้มันมี คืออาจจะเป็นเพราะอย่างนี้แบบแฝงหลวงพ่อคือว่าทําทํางานทางวิชาการนะคะมันก็จะคิดทั้งวันพอถึงตอนหัวค่ำที่เราจะทําทําก่อนนอนทุกครั้งมันก็จะแบบมันไม่ไหวแล้วะมันก็จะเดินแล้วมันก็ยังคิดเรื่องงานอยู่มันไม่ไหวนะแล้วจะมีวิธีแก้ไหมตื่นให้เร็วขึ้นทําตอนก่อนตื่นเนอนไอ้ตอนตื่นนอนรีบทําไว้ก่อนเลยก็คือพยายามทําทั้งสองช่วงอ่ะอืะหลวงพ่อทำตอนนี้ด้วยนะ ตื่นมาก็ภาวนาแลหละตอนที่รับราชการตอนอยู่ราวิสัยกิจเลยกลางวันก็ภาวนาะกลางคืนก็ภาวนาทําทั้งสามช่วงแหละตอนกลางคืนตอนหัวค่ําอะไรเงี้ยถ้าเรากลางวันเราลาเลยนะจิตมันฟุ้งมันฟุ้งแล้วคล้ายๆเราเก็บขยะมาเต็มแล้วกว่าจะกวาดขยะออกไปหมดนะก็ะหมดเวลาแล้วได้เวลานอนแล้วเพราะฉะั้นวันๆไม่มีอะไรมีแต่เรื่องกวาดขยะของเก่านะอยู่แค่นั้นเองฉเองฉั้นเราเพิ่ม ตื่นนอนมารีบภาวนาเลยเอาสักสิบนาทีก็ไดนะ้แล้วทานข้าวเสร็จนะก็นั่งภาวนาหรือเดินจงกรมอะไรเงี้ยนะทำเป็นว่าเดินไปเดินมาดูคนโน้นดูคนนี้จรงจริงเดินรู้สึกไปเรื่อยนะถ้าเราฝึกตัางวันได้มากเนี่ยตอนหัวค่ำเนี่ยสมาธิมันจะดีขึ้นแต่ถ้าเราฟุงทั้งวันตอนหัวค่ำเราก็หลับนะมันไม่ไหวหมีกไหมไมีไหมนมัสกรารเจค่ะข้าวะ พูดดังๆหน่อยเราเฝ้าแก่เราอูตึงตอนนี้จิตใจไม่ตั้งมั่นเลยค่ะโอ้รู้ด้วยว่าไม่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นเลยตื่นเต้นมาก อ, มอยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยติดสมถะหรือเปล่าดูง่ายๆนะถ้าติดสมถะเนี่ยวันๆไม่อยากยุ่งกับใครอะ่ะอยากเข้าถ้าอย่างเดียวอยู่นิ่งๆคนเดียวตร <laughs> นะงนั้นแหละติดสมถะ ก็พยายามทําทุกวันแต่มีความรู้สึกเหมือนกับตัวเองอยู่นิ่งๆก็เลยนึกว่าตัวเองติดสมถันอย่าไปน้อมจิตให้มันนิ่งๆซึมๆไปต้องเคลื่อนไหวแล้วกระดูกดิบไปล้วกระดูกดิกแล้วก็รู้สึกดูกายดูกายไปอย่าไปดูจิตนะดูจิตไม่มีอะไรให้ดูหรอกว่างๆไปเฉยๆสมาธิเราเยอะพวาทาสมาธิมากๆจิตจะเพ่งไวจนนิ่งเนี่ย ดูจิตไม่ได้ต้องดูกายดูกายดูยังไงดูการเคลื่อนไหวของตัวเองเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนอนเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆก็จริงนะแหละขอบพระคุณด้วยค่ะ กลับในนัช ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะคือลูกก็สนใจธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่าด้านการปฏิบัตินี่เพิ่งจะเริ่มข้ารอนุบาลนะเจ้าค่ะแล้วก็อยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อคะ่ะว่าจะเริ่มต้นวิธีไหนที่จะเหมาะสมกับจริตของเราเจ้าค่ะคือส<ะ>ี่ห้าไว้ก่อนนะตั้งใจไว้ก่อนแล้วก็มีสติพัฒนาสติขึ้นมาสติเป็นเครื่องมือของการปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติวิธีไหนก็ต้องมีสติทั้งนั้นแหละนะแล้วก็ คอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นกับใจคอยรู้ทันเรื่อยๆหรือร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้ทันมันนะร่างกายยิ้มร่างกายหัวเราะอะไรนี่คอยรู้ทันไปเรื่อยๆสติจะเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อมาก็ฝึกสมาธินะจิตแอบไปคิดรู้ทันจิตแอไปคิดรู้ทันจะได้สมาธิขึ้นมาจำไว้ไหมอันแรกนะถือศีลห้าไว้ก่อนจงใจถือไว้ก่อนนะแล้วมีสติคอยรู้ทันใจของเรา เอาง่ายๆเลยนะเอย่อๆเลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันนะแล้วก็ความร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกคอยรู้สึกนี้เรื่อยๆแล้วจิตหนีไปคิดคอยรู้สึกยังงงเอาใหม่อันแรกเลยถือศีลห้าไว้ก่อนนะอันที่สองนะคอยรู้ทันจิตของตัวเองไว้นะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะแล้วก็รู้ทันร่างกายด้วยร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้ไม่ต้องดูจิตอย่างเดียวหรอก นะแล้วก็จิตแอบไปคิดคอยรู้สึกรู้จักจิตแอบไปคิดไหมรู้สึกแมหมคิดทั้งวัน่คะเ อ, อรู้จักจิตคิดเนี่ยไปดูตรงนี้เลยดูบ่อยๆจิตจะหนีไปคิดทั้งวันนะคอยรู้บ่อยๆไว้ถ้าเห็นตัวนี้ได้บ่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้ น, นมานะหลุดออกจากโลกของความคิดได้พอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทบาทหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วเนี่ยจิตพร้อมที่จะเดินปัญญาแล้ว เวลาร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้อยู่จะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นเองเลยเวลาที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่นะจิตใจเคลื่อนไหวเช่นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเกิดนะสติระลึกรู้ปั๊บในจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูอยู่เนี่ยจะเห็นเลยสุขทุกข์กุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราดังั้นเราภาวนาเนี่ยเราต้องรู้นะเป้าหมายของการภาวนาของพวกเราเนี่ยเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนนี่ขั้นแรกนะเราต้องตั้งเป้ามาตรงนี้ก่อนทุกๆคนนะ ตั้งเป้ามาว่าเราจะมาฝึกกรรมฐานเนี่ยเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเพราะคนใดล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้คือพระโสดาบันเอาตัวนี้ก่อนยังไม่ต้องถึงขนาดว่าจะข้ามพพข้ามชาติยังไงอ่ะนะเอาโสดาให้ได้ก่อนจะอย่าชกมวยข้ามรุ่นนะงั้นตั้งหลักตรงนี้พอเรารู้ว่าเราจะต้องดูจนให้เห็นว่าไม่มีตัวมีตนนะเรามาดูความจริงไม่มีตัวมีตนอยู่แล้วความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเกิดจากการคิดขึ้นมาเอง เพฉะ้เราพยายามฝึกรู้สึกตัวฝึกรู้สึกตัวจิตหลุดออกจากโลกของความคิดเวลาเห็นกายจะเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวตนเห็นจิตก็จะจิตไม่ใช่ตัวตนความเป็นตัวตนเกิดจากความคิดทั้งสิ้นเลยนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฝึกเอาง่ายที่สุดเลยนะถ้าจิตหนีไปคิดอ่ะคอยรู้ทันไหมไปฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยนะกราบขอบคุณค่ ะ, คะไหวไหมจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้ทันใครเคยเห็นจิตหนีไปคิดบ้างมีไหม มีไหมมีไหมมีไหมใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างเอานี้เออฟังแล้วไม่เห็นหรอ <c oughs> มีอีกไหมเอ่ยหลวงพ่อคะพอดีก็ได้มีโอกาสได้อ่านทั้งหนังสือของหลวงพ่อยกย ก, ยกมายกมายอย่างนี้อ่านหนังสือของหลวงพ่อทั้งเล่มสีฟ้าตอนนี้กําลัางอ่านเล่มสีฟ้าอยู่นะคะที่หนามากๆตอนแรกจริงๆแล้วมองดูแล้วจะอ่านได้ไหมเนี่ยก็เลยใช้อุบายว่าพอตอนเช้าหลังจากทําวัดแล้วเนี่ยแล้วก็ ได้เปิดหนังสือหลวงพ่อเนี่ยอ่านทุกวันวันละอย่างน้อยก็น่าจะสักสิบนาทีอะค่ะืก็ได้เยอะแต่ที่หลวงพ่อบอกว่าเห็นไหมว่าจิตนี้ไปคิดเนี่ยจะเห็นตอนสวดมนต์ชัดเจนที่สุาดาีมากเลยค่ะเห็นแล้วก็อ้าวหลีไปคิดอีกละรีบกลับมาที่สวดมนต์ก็เห็นชัดเจนค่ะแต่กําลังพยายามทําความเข้าใจกับหนังสือของหลวงพ่อนะคะว่าแต่ระบทเนี่ยที่บอกว่า ให้รู้กายรู้ใจทันกับความคิดของตัวเองเนี่ยเราก็เพื่อจะได้เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราะคะ่ะแต่นี้ยังอยู่ในขั้นที่พยายามอยู่นะคะคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะตัวนี้เป็นต้นทางของการเดินปัญญาเพราะทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปคิดเนี่จิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเมื่อเราอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวแล้วถ้าสติระลึกรู้กายจะเห็นอัตโนมัติว่ากายไม่ใช่เรา นะ ร, รู้เห็นความโกรธเกิดขึ้นก็นะจะรู้อัตโนมัติขึ้นมาความโกรธไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมคุณรู้สึกไหมว่าตรงที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดพรรู้บ่อยๆนะเหมือนโลกห่างออกไปตัวนี้รู้สึกบ้างไหมยังมีความรู้สึกว่ามันยังยังต้องต้องได้รับการแนะนำอยู่ค่ะหลวงพ่ อ, อดี <c oughs> ไปดูบ่อยๆก็แล้วกันนั่นแหละไปสวดมนต์ไหมใช้ได้เลย แลส่วนมนไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันออาเราลองมาทดสอบจิตหนีไปคิดดูนะพวกเรามองหน้าหลวงพ่อสิแล้วตั้งใจฟังสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะสังเกตไหมขณะที่ฟังเทศอยู่เนี่ยบางขณะก็มองหน้าหลวงพ่อบางขณะก็ตั้งใจฟังแล้วแวบเดียวก็สลับไปคิดเห็นไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปตัวนี้มองออกไหมค่อยๆสังเกตตัวเองนะ เราไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันอยู่ตลอดเวลาเลยะฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเนี่ยฝึกนะค่อยๆสังเกตดูในชีวิตจริงเราก็เป็นอย่างนั้นไปดูโทรทัศน์ที่บ้านนะไปดูโทรทัศน์ที่บ้านนะต้องจะเห็นเลยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับกันตลอดเวลาฝึกจนชำนี้ชํานาญนี่แหละกรรมาฐานชั้นดีเลยนะแต่เวลาภรรยาพูดด้วยห้ามใช้นะวิจีเนี้ยพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะ เลสกต่อน้ำมกาลหลวงพ่อค่ะก็มีตามรู้ว่าจิตคิดอย่างไรทีนี้ถ้าหากว่าเราก็รู้แล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นปฏิฆาให้เราเกิดในโทรสาพทเราก็รู้ว่าโทรศาพ์ เราควรจะหลีกเลี่ยงปฏิฆะนั้นไหมเพื่อไม่ให้จิตต้องเกิดโทสายอยู่หนึ่งคืออยู่ที่ว่าเราจะฝึกอะไรถ้าเราฝึกสมถะนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงจิตจะได้มีความสุขเพราะสิ่งที่เราต้องการคือความสุขความสงบแต่ถ้าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลี่ยงตากระทบรูปแล้วปฏิฆะเกิดมีสติรู้ทันก็จะเห็นเลยแต่เดิมปฏิฆะไม่มีตอนนี้ปฏิฆะมีขึ้นมานี่มันไม่เที่ยงลนะปฏิฆะมีขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ทันปฏิฆะหายไปนี่ก็ไม่เที่ยงนะ่ะ หรืออย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าดูจะเจริญวิปัสสนารวดไปเลยนะหมดแรงแนละ้วไม่ไหวแนละ้วเดี๋ยวจะระเบิดอยู่ละเดินหนีไปเลยก็ยังได้เลยนะหลบเลี่ยงซะก่อนนะก็เป็นวิธีหนึ่งได้เมื่อเรารู้ว่าอ่อนแรงถ้าสู้ไม่ได้เราก็ถอยสิเห็นไหมเราต้องฉลาดนะปฏิบัติทำสู้ไม่ไหวก็หนีนะครูบาอาจารย์ท่านก็ถอยนะอย่างบางทีตอนสมัยท่านหนุ่มๆท่านไปทุ่ดงเนี่ย ไปเจอสาวเข้านะใจมันชอบนะทําไงได้ก็ใจมันชอบอะ่ะห้ามไม่ได้ท่านดูยังไงก็ไม่หายนะท่านหนีกว่ากรดกว่าบาดหนีไปเลย mm hmm. มี อ, องค์นะหนีไปแล้วไปเจอสาวที่หมู่บ้านที่หนีไปอีกอะ่นะไอ้คนเดิมแหละ mm hmm. นะเวรกรรมแล้วยหนีไม่รอดองค์นั้น mm hmm. งั้นอย่างบางคนนะเราเข้าใกล้แล้วเราหงุดหงิดมากเลยจเจริญสติไม่ได้สติจะแตกอย่างเดียวเลยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อน ไม่ใช่วิปัสนาแต่ว่าเอาตัวรอดไว้ก่อนถ้าเป็นวิปัสนาแท้นะรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยเพื่อให้เห็นเลยปฏิฆาก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราจิตจะมีปฏิฆาก็ห้ามไม่ได้ดูอย่างนั้นกราบนพะิธีการหลวงพ่อครับคือปฏิบัติมานานแล้วครับแต่ว่าเวลาเรารู้มันก็หยุดอยู่ที่ตัวรู้ แต่พอมันหลงจิตมันก็หลงไปเรื่อยๆของมันเออสักพักหนึ่งพอมันรู้มันก็หยุดแล้วทาไมมันก็ยังหลงอยู่อีกครับเป็นๆอย่างนี้อยู่มีชามันยังอยู่เชื้อหลงมันยังมีครับก็พยายามใช้ตัวสมาธิเป็นตัวระงับลองเปลี่ยนอยู่สิระงับได้ก็ระงับได้ชั่วคราวนะเรามาพัฒนาสู่การเจริญปัญญาดูสังเกตไหมจิตมีสองชนิดคือจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงเห็นไหมจิตผู้รู้ไม่เที่ยง เห็นไหมจิตผู้หลงไม่เที่ยงครับดูอย่างนี้ต่างหากจนกระทั่งในที่สุดปัญญาเกิดรู้เลยจิตทุกชนิดไม่เที่ยงครับไอความไม่เที่ยงมันก็เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันครับเพราเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงแล้วเออแต่เราไม่ชอบเราอยากเราอยากให้สุขเที่ยงเที่ยงอยากให้ดีเที่ยงเที่ยงเห็นไหมอยากสงบให้มันเที่ยงบางครั้งเจอความทุกข์หนักๆไปเราก็ความไม่เที่ยงนี้มันก็ทําให้เราแจ่มแจ้งว่ามัน ว่ามันไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ที่เราได้รับเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันทีเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้หลุดพ้นจากตัวนี้ไปได้หลุดพ้นจากตัวนี้ต้องเป็นกลางกับมันให้ได้นะเพราะวาความสุขเกิดขึ้นเราหลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นเราหลงยินร้ายเนี่ยจิตจะเข้าไปยึดถืออารมณ์ทั้งหมดเลย แต่การที่เราเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวในที่สุดนจะเห็นนะทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเมื่อความสุขเกิดขึ้นปัญญารู้ว่าชั่วคราวจิตไม่ปรุงต่อรู้แล้วจบลงที่การรู้นะสักว่ารู้ว่าเห็นนะไม่ปรุงต่อนะไม่ทุกข์หรอกครับครับแล้วนะเราต้อง ด, ด, ดูจนกระทั่งจิตมันยอมรับว่าทุกอย่างชั่วคราวนะสมัชชาหลวงพ่อเจ้าค่ะฝึกกับหลวงพ่อมาสองปีสามเดือนเจ้าค่ะ ใชทีวัดโอกาสยากมากอก็อยากจะบอกทุกคนว่าเป็นพนัก ง, งานเก็บเงินนี่มีเวลามากในการภาวนาค่ะเป็นอาชีพที่ทุกคนอิจฉากันค่ะออืจริงนะ<笑><笑>คุยกับเพื่อนร่วมอาชีพอื่นเจ้าค่ะทุกคนบอกว่าอิจฉาจังเลยมีมีเวลาภาวนาทั้งวันเลยค่ะออืแล้วก็ไหนไหนหลวงพ่อมาแล้วสือโอกาสให้หลวงพ่อสอนเดินจงกรมเจ้าค่ะนะพ่อแม่เราก็สอนเดินนะ<笑><笑>เลย ห, หลวงพ่อรเราเดินได้ตาม ร, รู้สึกตัวเอาออกมาเดินไปมาเดินโชว์ เดินจงกรมใหมาถึงอะไรคําว่าจงกรมจริงๆแปลว่าก้าวไปมั้นทุกก้าวที่เดินนั่นแหละจงกรมนะเพงแต่ว่าคนทั่วๆ่วไปมันเดินสเปสปะมันเดินแล้วจิตใจมันหนีไปเราเดินด้วยความรู้สึกตัวนะทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเลยเรียกว่าเดินจงกรมงั้นจุดสําคัญไม่ใช่อยู่ที่ท่าเดินนะจุดสําคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวนะเพราะฉะฉนั้นเราเดินไปเรามาดูครับว่าเขารู้สึกตัวจริงไหม เอาละส <จะ S 1> ี่ค่ัเดินไปด้วยความรู้สึกตัวนะเคล็ดลับของการเดินจงกรมเนี่ยอยู่ตรงที่สุดทางนะตอนสุดทางจะหลงไม่หลงก็ตอนที่สุดทางนี่แหละแต่ทางจงกรมไม่ควรยาวเกินไปไม่ควรสั้นเกินไปนะถ้าสั้นไปเวียนหัวถ้ายาวไปมันจะหลงอยู่กลางทางนะอ่ะหยุดกัอนนะเนี่ยสมมติเราเราจะเริ่มเดินจงกรม ทันทีที่เข้าสู่เส้นทางจงกรมนะอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติพอคิดถึงการเดินจงกรมปุ๊บบังคับจิตให้แข็งแข็งขึ้นมาจะเครียดขึ้นมาละอันนี้ยผิดธรรมชาติละเราต้องการดูกายทำงานดูใจทำงานอย่างที่เขาเป็นไม่ใช่ไปเดินบังคับตัวเองจนเครียดนะงั้นมาถึงต้นทางจงกรมนะทำความรู้สึกตัวให้สบายแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินไม่ใช่เดินจงกรมว่าหมายถึงเราเดินนะ เดินจงกลมเนี่ยเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูฝึกให้ได้อย่างนี้ถึงจะดีที่สุดเอาลองเดินซี่แล้วใจเป็นคนดูใจเป็นธรรมชาติไหมธรรมชาติจ้ะค่ะนิ่ ง, งนิดนึงค่ะเออนะมันเกินธรรมชาติไป <c oughs> มันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาติของคนที่ตื่นเต้นเนี่ยตอนที่เราไปเดินสุดทางจงกรมนะเราอย่าเพิ่งหมุนตัวเดินไปสุดทางแล้วเราก็หยุดก่อนแล้วก็หมุนตัวแล้วก็หยุดก่อนนะ ถ้าเดินไปสุดทางแล้วหมุนตัวปั๊บเนะียจิตกระเด็นหนีไปเลยเนี่ยเราค่อยดูนะค่อยดูนะเนี่ยทำความ ร, รู้สึกตัวให้สบายก่อนนะแล้วหมุนตัวมาไม่เร็วไม่ช้าไปไม่แน่ใจนะว่าไม่ช้าไปพอหมุนเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวอีกแล้วค่อยเดินนะไม่งั้นจิตมันจะเดินก่อนขาใครเคยเห็นจิตเดินก่อนขาบ้าง พ่อันนี้ถือว่าเห็นกายมันเดินหรือว่าเป็นสมถะคะเรียนมสมถะใ่ะคะเอาไปเดินกับพี่ไปเพ่งไหมตอนนี้เพ่งไหมเพ่งเจ้าค่ะเออก็เป็นสมถะสิคือจับใดที่ยังเพ่งอยู่นะเป็นสมถะถ้าเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูนะกายไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุธาตุที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเจริญปัญญาอยู่ทำวิปัสสนาวิปัสสนาทำเพื่อถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเพราะฉนั้นถ้าเมื่อไรเห็นว่าไม่มีเรานะ กายมันเดินไม่ใช like ่เราเดินกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งถ้ารู้สึกอย่างนี้จริงๆจิตมันเดินวิปัสสนาอยู่รู้สึกเองนะไม่ต้องคิดเลยนักสักคมพ่อครับเวลาเราปฏิบัตินะครับเราจะดูได้ไงว่าจิตนี้เกิดเป็นสมาธิแล้วครับอะไรนะเาเราปฏิบัติอยู่ครับเราจะรูได้ไงว่าจิตเกิดเป็นสมาธิแล้วสมาธิมีตั้งหลายแบบนะครับผมสมาธิสงบเนี่ยจริงก็จะนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวสบายนะมีความสุขไม่ใช่แข็งแข็งอยู่ หลายคนเข้าใจสมาธิผิดไม่นั่งสมาธิยังไม่เป็นสมาธิหรอกเครียดจะตายไม่ใช่สมาธิหรอกนะนั่นบัคคับตัวเองนะหรือประเภทนี้นี่ก็ไม่ใช่สมาธิแนละ้วนี่ขาดสติอย่างแรงเลยขาดสมาธิเลยสมาธินะันจิตรู้เนะ้รู้ตัวอยู่นะบางทีจนจิตรวมลงไปนะ่ะโลกธาตุดับเลยไม่มีเลยโลกดับไปหมดแนละ้วแต่ความรู้สึกตัวไม่ขาดสายเลยรู้สึกตัวสบายว่างสว่างอยู่นะั้น นนเป็นสมาธิแบบสมถะสมาธิชนิดที่สองนี่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วจิตตั้งมั่นอยู่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูอยู่อย่างนี้มีสมาธิอยู่ะกิเลสเกิดขึ้นมาจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นกิเลสผ่านมาผ่านไปเนี่ยจิตมีสมาธิอยู่สมาธิมีสองแบบนะสมาธิสงบกับสมาธิตั้งมั่นส่วนสมาธิเคร่งเครียดนั้นไม่ใช่สมาธิสมาธิเครือบเครื่อมันไม่ใช่สมาธิ ขาสติเอาเลยแหละนั้นแล้วมีบางสำนักที่เขาว่ากำหนดพุดโทโธกับยุบหนองพองหนอครับทำไมล่ะเคืออยากจะทราบว่ามันแตกต่างกันยังไงครับไม่แตกต่างเราจะไปติดที่เปลือกสาระสำคัญอยู่ที่ว่าสภาวะจิตที่ไปพุโทโธหรือสภาวะจิตที่ไปรู้พองยุบมันถูกต้องไหมถ้าจิตสงบอยู่กับพุโทโธได้สมถะจิตสงบอยู่กับอาการพองยุบนั้นได้สมถะ จิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นจิตท่องพุทโธอยู่นะจิตไม่ใช่เรานะก็เดินปัญญาได้นะจิตไปรู้ท้องของยุบเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบจิตเป็นคนดูอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ก็เดินปัญญาได้นไะนะม่กรรมฐานอะไรก็ได้นะไม่ดีไม่เร็วกว่ากันหรอกถ้าเข้าใจหลักแต่ถ้าไม่เข้าใจหลักเราจะไปติดเปลือกว่าเปลือกอันไหนสวยกว่าไหนดีกว่าอันไหนไม่ไม่ดีไม่เร็วกว่ากัน ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะเราจะไม่ทะเลาะ ก, กันระหว่างสำนักเลยพวกทะเลาะ ก, กันนะพวกภาวนาไม่เป็น <c oughs> กลาบมศพการหลวงพ่อครับผมมีคำถามหลวงพ่อนะครับให้หลวงพ่อท่นานพิจารณานิดหนึ่งผมเคยอ่านในพระไตรปิฎกครับพบว่ามคีคำกล่าวว่าหากบุคคลเจริญสติปัฏฐานเหมาะสมถูก ต, ต้องต่อเนื่องนะครับย่อมให้มรรคผล ในเจ็ดวันเจ็ดเดือนอย่างมากไม่เกินเจ็ดปีเนี่ยเป็นคำตัดของพระเจ้าหรือเปล่าครับใช่แล้วหมายถึงเฉพาะบุคคลที่เกิดในยุคนั้นหรือเปล <c oughs> ่าครับคือท่านไม่ได้จํากัดไว้นะครับไม่ได้จํากัดแต่ว่าเงื่อนไขสําคัญคือทําให้ถูกถกระทําให้ต่อเนื่องครับถ้าทําผิดนะยุคไหนก็ไม่ได้ครับหรือทําถูกแต่ไม่ต่อเนื่องก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ก็มีเงื่อนไขเฉพาะนะถ้าดีเกินไปหรือเร็วเกินไปก็ไม่บรรลุนะครับดีเกินไปก็ไม่บรรลุนะเร็วเกินไปก็ไม่บรรลุ ดีเกินไปเช่นจิตมุ่งหวังพุทธภูมิเงี้ยนะมุ่งของใหญ่กว่าเนี้ยก็ไม่บรรลุเร็วเกินไปเช่นด่าพระอริยะฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรเงี้ยก็ไม่บรรลุนะครับขออีกสักคําถามนะครับ อ, อวิปัสนาวูปกิเลสเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่คนปฏิบัติถึงขั้นวิปัสนาเท่านั้นใช่ไหมใช่ใช่แล้วจะต้องเกิดกับทุกๆคนไหมครับก็บางคนมันเกิดแต่ไม่นานนะมันแว บ, บมันก็ผ่านไปก็มี บางคนก็ค้างอยู่งั้นเป็นปีๆเลยก็มีครับสามตัว น, นี้มิปัสนูปกิเลสจริงๆเนะียมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะในพระไตรปิฎกท่านใช้คาว่าธรรมุทัตจะมาจากคำว่าธรรมะอุทัตจะความฟุ้งในธรรมะสิบประการนะเพราะงั้นเกิดจากอะไรเกิดจากจิตฟุ้งไปนะงั้นถ้าสมาธิพอแนะั้ก็จะผ่านวิปัสนูตัวนี้ไปได้ เวลาทำวิปัสนาอยู่นะเห็นสภาวะทำเกิดดับเช่นเห็นกิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันไปกิเลสดับไปนะบางทีสมาธิไม่พอไม่ใช่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะพอเห็นกิเลสเกิดเนี่ยจิตไหลไปดูกิเลสจิตถลําไปดูกิเลสเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นแะนะนะเรียกว่ามีทำ ม, มุตทั จ, จาะฟุ้งไปแล้วแล้วจิตมีกิเลสจะหนีออกไปเราส่งจิตเคลื่อนออกไปข้างหน้าตามมันไปนะเสร็จแล้วพอกิเลสดับปั๊บมันจะว่างเลยเขาเนี้ยตัวเนี้วิปัสสนูตัวที่หนึ่งนะชื่อโอภาส สว่างว่างสบายอยู่ตรงนั้นอยู่กันเป็นปีเลยก็ได้นะถ้าจิตตั้งมั่นทวนกระแสเข้ามาตั้งมั่นถึงฐานจริ ง, รงๆก็าหายเลยงันพระนอนนท่านเรียกไอวิปัสสุปกิเลสเนี่ยว่า ธ, ธรรมุตทัตจะธรรมะอุทัตจะอะไรนะถ้าสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอกบานแท้ๆก็ผ่านไปเลยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะไหลออกไปแช่หลงไปในความว่างว้างหลงไปในความสุขว่างหลงไปในสติว่างหลงไปในปัญญาบ้างเลินไปเลยนะ ถ้าติดอยู่นานแต่เจอทุกคนแหละเกําลังสมาธิของผมยังไม่พอเลยครับสามารถจะดูจิตไปด้วยกันได้ไหมครับอะไรนะกําลังสมาธิของผมเองที่ยังไม่พอเนี่ยจะสามารถจะดูจิตไปด้วยกันได้ไหมหรือว่าต้องเพ่งสมาธิมากก่อนได้ได้ถ้าทําสมาธิมากจะดูจิตไม่ได้ถ้าจิตจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูไม่มีใตรลักษณ์ให้ดูนะต้องดูกายทาสมาธิมากมาดูกายเห็นกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอน เห็นกายหายใจออกกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าแต่ถ้าจิตเราเป็นธรรมชาติธรรมดาเงี้ยมีความเคลื่อนไหวมีความเปลี่ยนแปลงเงี้ยดูจิตไปได้เลยครับแล้วสมาธิค่อยเกิดทีหลังกลับขอบพระคุณครั บ, รบกลับนิมิตการหลวงพ่อครับฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีฮะแล้วก็ปฏิบัติตามยังไม่เห็นอะไรเลยครับผมเห็นกิเลสไหมกิเลสเห็นครับเห็นอยู่ทุกวัน นี่แล้วบอกไม่เห็นอะไรจับได้แล้วจะ<笑>เห็นอะไรก็เห็นกิเลสสิเห็นกิเลสได้ดีที่สุดแล้วพอ<笑>เห็นกิเลสแล้วทํายังไงกับกิเลสล่ะรู้ทันครับรู้ทันนะไม่เกลียดมันนะดูเฉยๆฮะเอะรู้เฉยๆมันดับไปเองเราดูเหมือนกระทั่งเห็นเหมือนกิเลสคนอื่นนะไม่ใช่เราโกรธนะเห็นสภาวะโกรธเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เราโกรธมันคล้ายๆมีจิตมากํากับ嘛 ใช่จิตมันไม่เหมือ น, นรู้ด้วยอัตโนมัตินะหลวงพอ่ออันนั้นเกิดจากพื้นเดิมอะทําสมาธิมาถ้าพื้นเดิมทําสมาธินั่นจะมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ตัวนี้จะแข็งหน่อยไม่เป็นไรขอคาแนะนำว่าดูดูบ่อยๆนะดูสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นรู้ทันสภาวะเท่าไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ด้วยใจที่เป็นกลาง ไม่ยินดียินไร้ายกันมันถ้าเกิดยินดียินไร้าขึ้นมารู้ทันมันอีกจริงใ น, นสุดใจจะเป็นกลางกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างาจิตถึงฐานไหมหลวงพ่อถามดีกว่าขณะเนี้ยจิตถึงฐานไหมไม่ทราบเหมือนกนอันนะหลวงพ่อจิตกว้างๆออกไปข้างนอกไหมสบายไหมสบายครับ่อะจิตสบายเนี่ยคือสิ่งที่หลวงพ่อตอบคุณตะกี้เนี่ยะจะสบายว่างๆนะ บางว่างสบายอยู่ข้างนอกกลับกลับเรียนถามนิดนะถ้าถ้านั่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะได้เห็นที่เขาเห็นเห็นกันไมฮะเซนล่ขเขาเห็นอะไรล่<ป>ะเ ห, นะห็นพวกปฏ <ะ S 1> <ปะ S 2> ิหารหรือว่าเหน็น <c oughs> อ่า <c oughs> อะไรฮะคล้ายๆว่าบางคนนะนั่งแป๊บเดียวก็เห็นแล้วบางคนนั่งเท่าไหร่ก็ไม่เห็นหลวงพ่อมีญาติคนหนึ่งนะพาไปวัดตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวช พาไปนั่งสมาธิเอแกนั่งนั่งอยู่แป๊บเดียวนะแกกระโดดตัวลอยเลยท่านนั่งบนเสือนะอยู่ห่างเป็นเมตรเลยลอยมาตุ๊บหล่นมาหน้าเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นผีมาเกาเสือแปล ก, กแปลกภาวนาวันแรกก็เจอเลยนะอาจจะจิตหลอนเองก็ได้นะแต่ว่าปักใจเชื่อว่าผีกระโดดเลยตัวลอยอีกคนหนึ่งอยากเห็นผีมากเลยภ า, าวนามาตั้งหลายปีไม่เคยเห็นเลยพวกนี้ยังไงก็ไม่เห็น ันอยู่ที่เป็นแต่ละคนออกไม่เหมือนกันบางคนนะั่นเ่อคราวนานนิดเดี๋ยวก็รู้ก็เห็นออกข้างนอกแลยแต่อะไรอะไรก็สู้เห็นกิเลสไม่ได้กิเลสนี่แหละคือศัตรูตัวจริงของชีวิตเรามันปั่นทอนนะ้ำเบียดเบียดเราตลอดเวลารู้ทันกิเลสไปนะแล้วก็ค่อยๆของคุณนะค่อยรู้กายให้เยอะขึ้นไนะพยายามมารู้สึกที่ร่างกายบ่อยๆจิตจะได้กลับเข้าบ้าน นันจิตมันจะมีความสุขแล้วมันเผลนออกข้างนอกไปเป็นไหมเป็นครับเป็นไม่หลอกหรอกกลับกลับขอบพระคุณนะหลวงพ่ที่นี่เขนับเลขกันไงหลวพ่อว่ามันเกินสิบแล้วเนาะหมดแล้วค่ะหลวพ่อเอหมดแล้วนะสิบพอดีเหรอข้าจะให้พวกเรานะคะร่วมน้อม จิตนะคะ่ะถวายปัจจัยไทยธรรมนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยไทยธรรม <c oughs> แด่หลวงพ่อปราโมทขอหลวงพ่อจงรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลและนานเทิน รับพรอนซะหน่อยนะตามธรรเนียมยถาวาริวะหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวาอิโตดินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังทุมหังชิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติราโสยะถาสัพพีตโยวิวัตชันตูสัพพาโรโควินาสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายยโกภวะอภิวาธนศีลิสนิตจังอุทาปจายิโนจตารโธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง